พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังงวลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็ราสังขะปรินายกวิถีจิตในเรื่องของวิถีจิตนี้ท่านแสดงอุปมาเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง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 เวลาของผวังขจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นกําลังหลับเวลาที่อารมณ์มากระทบประสาทก็เหมือนอย่างเวลาที่ผลมะม่วงตกลงมาเวลาแห่งอวัชนจิตคือจิตคำนิงก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงนั้นเวลาที่จะขูวิญญาณเป็นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดูเวลาแห่งสัมปติชนจิตคือจิตรับก็เหมือนกับเวลาที่บุรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วง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 คือเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบประสาทและกระทบเข้าไปถึงจิตที่กําลังตกภวังอยู่นั้นจิตก็เคลื่อนจักระหว่างเรียกว่าผวังคาตนะุระณะและก็ตัดขาดจักระหว่างเรียกว่าภวังคาอุปัชเชทานี้รวมสองขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็กำเนึงอารมณ์เรียกว่าอวชนะจิตอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็เห็นเรื่องยินอารมณ์อันเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นหนึ่งขนาดจิต ต่อจากนั้นจิตก็รับอารมณ์เรียกว่าปฏิจ จ, จัช น, าา น, น, น, น, น, นะอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่าสังตระนะอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นก็กำหนดอารมณ์เรียกว่าโอตะถาวนาอีกหนึ่งขนาดจิตต่อจากนั้นจิตก็เล่นไปในอารมณ์เรียกว่าชาวนะอีกเจขนาดจิต <vars aún> ต่อจากนั้นจิตก็โนวงอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าตถาลัมพนะอีกสองขนาดจิตรวมเป็น16ขนาดจิต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 แต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้คือว่าอย่างรูปที่มากระทบจากขุ่ประสาทมาเริ่มเป็นภวังคจรณนะคือจิตเคลื่อนจากภาวังเป็นต้นจนถึงตาลัมพนะคือนวลอยู่กับอารมณ์นั้นรวมเป็นสิบขนาจิตดังกล่าวมาแล้วและท่านรับกับขนาดจิตในอดีตที่เป็นหัวต่อเชื่อมกันอยู่อีกหนึ่งจึงเป็นสิเจขนาจิตถ้าเป็นสิเจขนาจิต ด, ดังนี้ ก็รวมเข้าเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งแปลว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางถวาวรทั้งห้านั้นก็นับว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นดำรงอยู่ในจิตได้อย่างช้าที่สุดก็เพียง17ขนาดจิตหรือว่าสิหขนาจิตดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดถ้าไม่แจ่มชัดก็ดำเนินมาไม่ถึงนี่เป็นอธิบายของวิถีจิตที่ดำเนินตั้งต้นมาจากปัญจถาวรคือถวาวรทั้งห้า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 เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมากตอนเก่าแล้วเหล่านั้นเมื่อผุดขึ้นมากระทบมโนทวารก็กระทบถึงจิตทําจิตให้เคลื่อนจากภวังเป็นภวังคขจลนะนาและตักจากภวังเป็นภวังขอุปัดเฉทสองขณะจิตแล้วก็เกิดอวชนจัจจิคำหนึ่งถึงอารมณ์ทางมโนทวารแต่ว่าอาวชนจิตทางมโนทวา น, นี้มีค่าเท่ากับโวทวัฒนาจิตคือจิตที่กําหนดอารมณ์เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดชวนาจิตคือจิตที่ลั่นไปทีเดียวแล้วก็เกิดตทาลมพนาจิตคือจิตที่นุ่งอารมณ์นั้นแล้วก็ตกผวังวันจิตที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงว่าจิตที่ดำเนินในวิถีตั้งแต่ต้นเมื่อยังไม่ถึงชวนาจิตก็ยังเป็นจิตที่อ่อนยังไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นอพยากตะไม่ยืนหยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าเมื่อมาถึงชวนาจิตคือจิตที่ลื่นไป ซึ่งมีเวลาอีกเจ็ดขนาดจิตโดยมากจึงเป็นจิตที่มีกําลังเต็มที่และนับว่าเป็นกุศลอกุศลตั้งแต่ชวนจิตนี้ลักษณะของจิต ด, ดังกล่าวมาแล้วนี้เมื่อกล่าวถึงจิตที่ปฏิสนธิในเบื้องต้นเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตที่เคลื่อนในที่สุดก็เรียกว่าจุดติตจิตเพราะฉะนั้นจึงเติมหน้าเติมหลังเข้าอีสองรวมเป็นเกตคือหน้าที่ของจิตทั้งหมดก็เป็นสิบสี่คือ 1>, 1. ปฏิสนธิสองพวังคะสอวัชนะคำหนึ่งสทัศนะเห็นหสวนะได้ยิน 6. ขายนะได้กลิ่นเจสายนะได้รส 8. ปดพุทธะถูกต้อง 9. สัมปติฉันนะรับส0บสันติรณะพิจรารณาสิบอดุตถ Ậ พวระหรือ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 เป็นการขักธําสมาธิอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรักษาใจสงบสบายดีหลักการจําแนกจิตได้กล่าวถึงจิตจําแนกไปตามเกตคือหน้าที่คือจิตโ ด, ดยปกติก็อยู่ในภวังเมื่อตื่นขึ้นจากภาวังแล่นไปในอารมณ์ตามวิถีก็แบ่งชื่อเรียกตามหน้าที่ไปโดยลําดับจ น, นตกภวังไปใหม่ดังที่แสดงแล้วแต่ว่าการแสดงจิต ด, ดังกล่าวนั้นยังแสดงเป็นส่วนรวมยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่า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 เป็นภ omnak เวทนาอันหนึ่งการทัาบาปของบุคคลบางคนบางทีก็ประกอบด้วยทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งเห็นว่าทําบาไปได้บุญดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของการบูชา ย, ยัญนั้นแต่ว่าในบางคราวก็ประกอบไปด้วยยานคือความรู้ถูกคือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ทําเช่นว่าทําเพราะลุกอำนาตแห่งความโลภความโกรธความหลงโลภขึ้นมาทั้งรู้ว่าบาปก็ทําเพราะต้องการจะได้แต่ว่า ก็มีฌานคือความรู้เหมือนกันว่าเป็นบาปจิตสี่ประเภทอาศัยเกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงได้แบ่งจิตออกไปมากมายถึงแปดสิบเก้าดวงแต่ว่าเมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็นสคือเป็นกามาวจระจิตจิตที่ยังลงในกามหนึ่งรูปาวจรัจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์หนึ่งอรูปาวจรัจจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง โลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกหนึ่งสรุปลงก็เป็นสีหมวดกามาวจระจิตจิตที่ยังลงในกามนั้นเป็นจิตสามัญที่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผดพัพผะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าโสพณะคืองามก็มีเป็นฝ่ายอกุศลหรือ อโศภณะคือไม่งามก็มีเป็นฝ่ายอัพยกริตก็มีอาศัยหลักที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรูปาวจรรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์นั้นก็มีแก่ชานจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์อรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ชานจิตที่มีอรูปเป็นอารมณ์โลกุตระจิตนั้นคือ มักจิตผลจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันในตอนนี้ควรทราบข้อไปี่ตเล็กคือพระอาหารหันนั้นก็อาจจะมาทําหรือประกอบกิจในทางโลกการกระทําของท่านนั้นถ้าดูอย่างคนสามัญก็นับว่าจัดเข้าในกุศลจิตที่เป็นกามาวจรคือว่ามาดูทางกรรมิธรรมการงานที่ท่านทำก็บงถึงจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าท่านแสดงว่า ถ้าสําหรับพระอรหันต์ก็จัดว่าเป็นเพียงกริยาเรียกว่ากริยาจิตเพราะท่านสิ้นตัณหาที่จะก่อให้เกิดชาติและพบต่อไปอันหนึ่งพระอรหันต์ท่านก็ยังเข้าฌานในบางครั้งเข้ารูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกริยาจิตอีกเหมือนกันในชั้นรูปและอรูปและตามหลักของท่านนั้นถือว่าบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดด้วยกุศลกรรมความเป็นมนุษย์เป็นกุศลวิบาก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 ส่วนผลที่จะถือกําเนิดเกิดต่อไปหรือว่าในปัจจุบันนี้เองที่ปรากฏเป็นพืชอัิยาศัยนิสัยของจิตนี่จะเป็นจิตที่เป็นส่วนวิบาศคือผลก็เนื่องมาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุและจิตที่จะเป็นส่วนเหตุทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วดังกล่าวมานี้ต้องเป็นจิตที่มีกําลังจนถึงชวนาจิตหรือจิตที่ดล่นไปคือที่ปรากฏกุศลมูลเต็มที่ปรากฏอกุศลมูลเต็มที่